ดีบอัดได้เขาได้ฟังด้วยนะเนี่ยพ อ, อไปแล้วกันออัดจะอยากใจให้ได้ฟังฟังใครก็จะฟังแต่กันใหม่คนเก่าเขาไม่ว่าละฟังกันใหม่ไปเรื่อยเลยเรไม่ได้เทศงานนี่จะเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วสิบ เ, เอ็ดมกาเลอันนี้นก็สิบเจ็ดยัเดือนหวันไม่ได้เทศนีย ผมเหนื่อยพอแล้วทุกวันยังไม่เล่นเล่นกับอะไรเลยยัยงที่พูดนะมันพดเข้า ม, มาหดเข้า ม, ม, มาคนมากนะทางโน้นแน่นนะเนดเนี่แล้ววันพรุ่นี้จะมาอีกจะมาพักอีกนะมันจะมาอีกั้งทางด้านนู้นวันีฝ่ายผู้ชายเลยม า, มากา ม, มากงนมากมาที่นี่แล้วก็จะออกไปทางไหนยังไง มันอยุดสามหมันองภาคกลางส่วนมากมาเสียบบุญทางพาะอิศานมันดึงัเลยไปพูดเรื่องพระก็มาถานพาราอิศานอยู่ไ็อยู่จริงๆมันอดชิดไม่ได้นี่ก็เรื่องความจริงมันมีอย่างนั้นแน่ๆไม่สมสัยไหนพอที่จะลงใจใทำบุญให้ทานกราบไหว้้วได้สนิทใจก็อยากไปคนเราแม้ว่า ไม่ว่าใครหลังว่าใจมันเหมือนกันยังไงมันกืนไม่ลงก็ไม่อยากกืนไม่ว่าเขาว่าเราอยากกืนอะไรกืนกล้างกืนกระดูกลงคอเนาะไม่อยากตายอย่ากินนี่มันเหมือนกันออืมันขวางยิ่งกว่ากล้างมันขวางคอนะึ่งนึ่ง ปีนี้นับวันดีไม่ค่อยไม่ค่อยร่อน ย, ยังไม่ยังไม่ร่อนนี่ตามบรรดาเดินกุมภาปันที่ห้าที่หกที่เจ็แล้วก็เริ่มร่อนแล้วนี่มันถึงวันที่สุดเจ็ดแล้วยังเย็นยังพอสบายถ้าร่อนหูลำบากมากนะผมถ้าทันก็สุด นอนที่ไหนก็นอนไม่แรกของวันเงาแตกนี่นอนก็ก่อนหลับสบายนะวัแล้วนอนไม่ได้มากนะหลับนีบเ่เดียวนี่ยวแล้วก่อนท่านหลับแล้วก็หลับไปเลยเพรตื่นแล้วลุกเลยท่านหลับผมฝึกสัสขขงข์มาอย่างนั้นนะผมยังลึกไม่ได้เลยว่าผมตื่นแล้วผมกลับมานอนอีกเนี่ยผมลืมไม่ได้เลยนะในเวลาปฏิบัตินะ นอกจากเท่าแก่มาแล้วนี่มันเราทําตามท่าตามขันนั่นเนี่ยเราเสริมเรามีแต่เสริมมันขนาดนั้นมันยังไม่ขึ้นนะดันมันขึ้นมันก็ไม่อยากขึ้นมีแต่จะุดลงมันก็อยากให้มันนอนมากมันก็ไม่อยากมันก็ไม่อยากมากใช่ไหมนอนไปนี่เดียวเดียวจะตื่นตื่นกลางคืนไปแต่ก่อนท่าขันมันก็ดีความมั่นมั่นต่อความเพียรมันก็สุดหัวใจว่างันถึง หลาี่จะมหาหันนอนหลับอีกได้ยังไงผมถ้าหน้าผมเองไม่เป็นจริงนขนาดนั้นหนะฟังดิเพราะนั่นการแนะนำต่างสอนหมู่เพื่อนจึงได้ต่างสอนอย่างนี้อืออ้ อ, อไปไปตามเออผมที่เด็ดอืออ้อไปตามมันไปมันเหยียบงงคนอยู่แล้วมันจะอืออ้อให้มันเหยียบนะอีกมันก็มีหัวเดียวนะักคนเรา หัวใจยังที่ว่าไงเรียนหนังสือก็นกั่งกอเหมือนกันเพราะอนั่นกอดมันก็ตั้งใจไปอีกครั้งหนึ่งถึขนาดที่ว่าสอบแล้วนอนไม่หลับเลยเพื่อนสอบก็ยิ่งเร่งเรียนเอกทีน้อยจังเลยสอบแล้วก็นอนไม่หลับทำในนี้ไปต่างจังหวัดแะ่น้ำนอนสบายใจเล นี่พอยิงมาออกมาปฏิบัตินี่อันนี้มันเรื่องเข้าแนวลบขึ้นเวทีตั้งหน้ามาขึ้นเวทีไหนจะไปนอนตื่นแล้วนอ น, น, อ, น, น, อ, นอีกนี่ผมไม่ระลึกไม่ได้เลยนะเพราะความจงใจขอเรามันไม่เคยมีอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาที่จะไปแสงอันแบบที่ว่านอนตื่นขึ้นมาแล้วนอ น, น, อ, นอีกทีเนี่ยไม่เคยมีแสงมิจฉามันพุ่งพุ่งข้างหน้าเพราตื่นมากก็พุ่งเลย มันจะไม่หมุนกลับมานอนอะไรคิดมันรุนแรงขนาดนั้นว่ะแม้งั้นจะกล้าพูดหรือว่างานใดก็ตามไม่ได้หนักต่า ง, งานค่าจะเด็กกันบ อ, อาแล้วงานอันนี้ดื่มไม่ได้เลยว่ะฝังนึกมากบอกมันเราม่ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวนี้เลยที่ว่าไม่ได้เอามาต่อกอนวิเศษ มันถึงขระน่ำนั้นแล้วมันจะลืมได้อย่างไงเพราะว่าทางส่วนร่างกายมันก็แสนทร ม, มานแสนทุกข์แสนทร ม, ม า, นท า, นานทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรว่าเบาๆบนาะเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะไปลืมได้อย่างไรมันเป็นงานที่หลืมไม่ได้เป็นงานงานสัจจะทำสัจจะสัจจะคือความจริงฝังลึกไม่ใช่ความจำมันกายเป็นความจริงมาหมด ขนาดไหนขนาดไหนมันก็ฝังในหัวใจนี่หไหนจะประมาณนอนซ้ํอีกผมมามาเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่นี่ตอนได้สิบเก้าพรรษายี่สบพรรษานะสิบเก้าพรรษาเครื่องกับหา20ยี่สบพรรษาเนี่ยผมยังไม่ลืมผมอยู่ห้องทรายคือปกติ ของการนอนของเราเนะี่ยเพราะมันฝึกมาอย่างงั้นนี่พอรู้สึกตัวนี้มันจะเด็ดถึงเลยทันทีนะถ้าว่าคนนอนอยู่ในห้องด้วยกันนี่จะต้องตืน่นเพราะมันตื่นแบบสะดุ้งเลยถึงทันทีเลยถึงเลยทันนั่นเป็นอย่างงั้นฟังดิฝึกเจ้าของเฝึกมาขนาดนั้นจนชินเป็นนิสัยพอพอรู้สึกตัวนี้มันจะเด็ดถึงเลยทันทีแล้วมันจะมันกลับมานอนได้อย่างไางฟังดิมันเข้ามาได้เลย กัดดิดถึงเลยที่จะลุกีมานอนองนที่เวลามาฝึกที่แรกโอ้ไม่ได้นะนี่สายมันโลพอรู้สึกว่ามันถึงก่อนแล้วพยายามเอากันอยู่นานโอ้หมันจะร่วมปีตรงนั้นพอรู้สึกแล้วไม่ให้มันลุกเนะ ให้ลูกขึ้นธรรมดาธรรมดาคนมีสติสตังลักษณะนั้นอันนี้เราไม่ได้คํานึงถึงว่ามีสติไมสติแล้วแบบถึงกับแบบธรรมดากันีมันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องของจิตนะอย่างนี้เราว่าทำลุกพอดีวันธรรมดาพยายามฝึกใหม่อันนี้เวลาฝึกมานานอย่างทุกวันนี่โวยตื่นแล้วมันก็ไม่อยากลุกข <c oughs> ี้เกียมันเต้าแก่ไแล้วมันเป็นอยู่แบบนึงแล้วนี่ฮะเฮ้ยมีแต่เสริมนะทุกวัน อย่างนมนี้นผมผมก็ฉันอย่าง น, นั้นนไม่ได้อยากอะไรนะหเห็นว่าพอฉันลงไปแล้วธาตุมันมมันมีผลบวกจากนมก็ฉันอย่งนั้นต้ไม้ถึงอายุมาแก่แล้วก็อีเตเสริมแต่ก่อนวันไม้ไหม้เลยเหยื่ตัดขาดชาว บ, บ้านเหยมาว่าอะไรมาสืบต่อได้นมนมเดิมเดิมผมไม่เอาจริงตั้งแต่เรียนหนังสือผมก็รู้ผมก็ไม่เอาแค่นั้นตัวเยียว มันคือมันมันเสริมวิเลตประเภทที่ว่าลาค้าตันหาอะไรสำคัญมากนะเราเรียนนี่เราก็เราก็เป็นผ้าเราก็เป็นธรรมนี่เมื่อรู้อยู่แล้วก็น่าจะไปเสริมมันยังไงเนี่ยเหตุที่ว่าไม่ฉันเรียนหนังสือผมก็มเอาได้มาอันก็ถวายครูบาอาจารย์ใหญ่ไปไม่แตะเลยนนยิ่งออกมาปฏิบัติด้วยแล้วโอ้โหเท่านั้นหนละว่างงันเลยมนะัย ไม่แต่อะไรอะไรที่มันจะมาเป็นเครื่องเสริมเราต้องตัดออกตัดออกตัดออ ก, ออกเลยไม่สำคัญจะเรียกว่าปฏิบัติอย่าง ไ, ไม่สังเกตเจ้าของมาเรื่องความบกพร่องของเจ้าของจะควรแก้ไขแต่แปลงไหนมันต้องรู้ที่ผู้ปฏิบัติอย่นี้ที่นี่เมื่อมันเป็นนิสัยงั้นเรามาสอนหมู่สอนเพื่อนมึงโอ้อยางว่าผมนี่ังมองภาพนี้มันขวางตาแล้วนะ ทั้งๆที่เราไั่ได้เจาะเสยหาโทษหากรรมหมู่เพื่อนก็โทษหมู่เพื่อนนะก็เราเป็นครูเป็นอาจารย์นี่นั่นสำคัญที่ตรงนี้ก็แพ็ปมันก็เห็นความบกพร่องความง่ายว่างั้นเหมือนนักมวยเขานั่นเคยเล่าให้ฟังฝึกซ้อมไปแถบร่วมแต่ตายเวลาขึ้นไปต่อยเขาเขาเลยเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยไม่ไหวครูมันอยากจะกล้ากเลือดตายจะดูซ้ําไปหว่างไงฝึกจน แล้วขึ้นไปนะเป็นกระสอบเขาต่อยอ น, นี่เหมือนกันมองไปมันเป็นลักษณะนั้นนีม่มีเจตนาอะไรมันเป็นของมันคัดมันก็รู้ว่าขัดขวางก็รู้ว่าขวางเนี่ยอย่างไงไม่ขวางก็ต้องรู้ว่าไม่ขวางอยงเงี้ยของตาเคยใช้มาเท่าไหร่ เอาขันยางกิงจังมันไม่รู้เรื่องของกิเลสเอาขันยัินจังเอาเป็นเอาตายกันนั่นนี่อะไรมีดงศีษยจอะไรดงผู้วานันต์นดีอยู่สถานที่เหมาะอยู่หลวงพ่อตันก็ดีนะสถานที่ผมดูแล้วชอบดีอยู่สงัดดีในสำคัญที่ ผู้ให้การแนะนํำสอนดีวอย่างหลวงพ่ตันนี้เท่ากับแกกันหนอยแล้วทุกเทามันก็เอาเรื่องไครละอยู่เฉยๆมันก็อยู่แบบไก่ๆแล้วนีรไม่มีรถมีชาตินะเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดโอมันสําคัญมากนะถ้อยู่ปลาก็ปลาขนาดไหนก็ป่าเถอะยีนมันไม่ได้นั่นมันดินทุกวันอยู่ในนั่นมันฟัดมันเหวี่ยงในนั่นนะฟัดเราถ้าไม่มีหลังมีเกณฑ์ไม่หลางได้เกณฑ์ เราจะเพียงว่าอยู่ในป่าเคยโดนลาพังเรานะโอ้ยใครจะไปกล้าพูดนะใครจะไปอวดตัวนะถ้าจินไม่มีหลับก็อ ย, อนะอยู่เดี๋ยวก็เป็นไปมันก็เป็นเหมือนสัตว์เป็นตัวหนึ่งไปอยู่แล้วรนะักษาเจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าจของไม่ได้มันเป็นอย่างหัวใจเจ้าของผู้เดียวอยู่ในป่านนะนั่นต้องเป็นของมันนะผมไม่เป็นแล้วนะผมได้เอามาพูดนี่ตอนนั้นยังไม่ไหลักได้เจนนะียนมันเป็นอย่างนั้นนะ้ปอยู่ท่าที่จะเป็นจะดี มัน อ, อยู่คนเดียวดีในป่ายังยังไม่ได้หลับได้เฉยเลยอยู่ก็เป็นยงไงนี่เหลือมันมีอำนาจมากมันเยียบอยู่ต่อหน้าต่อตาตีตาเราทั้งที่เราลืมตาอยู่นั่นส้างไรโอ้เพราะว่าถ้าเปล่นยนนี้ไม่ไหวเนี่ยรู้จักของนะของอย่างนี้ไม่ไหวออกจากกลัวใจไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้หะไงมันะเป็น นี่พอมันได้หลักแล้วเป็นอีกอย่างเนี่เพราะฟังจะว่าได้หลักมันสนุกฟาดไปที่นี่เป็นถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นั่นมันเป็นขั้นเป็นขั้นเราอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยถึงขั้นเป็นคนเดียวกับคนเดียวขั้นที่จะต้องแอบกับปวาจาจันมันต้องแอบฟับงนี่ก็เป็นมหาอีนั่นมันทำไมไปเป่นนั้นเนี่ยที่เราเรียนมาความจําของเรามันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเราได้นะ เห็นด้วท่านในการถือไม่ใจอยู่ของนี่มันต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นแม่เด็กดึงดูดคอยแนะนำคอยบอกแล้วมันยังเป็นแม่เด็กดึงดูดอยู่กับท่านมั้นร่มมันเย็นี่เหลมก็ไม่คึกขนองไม่เพ่นพ่านบาทัานดีกิเลสมันก็มีในหัวใจแต่มันไม่ออกแสดงระวังแล้วก็อยู่โดยลำพังอยู่ของแทนที่จะเอากันให้เจมเหนียวมันไม่เจมเหนียวมันมีกิเลสเอาเราเจมเหนียวโอผมเห็นผมเป็นน่ะนี่ยที่ว่ามัน เมื่อมันยังไม่หลังได้เกณฑ์โอ้ยใครจะอวดดีนะวะแล้วไปอยู่คนเดียวเราก็จ ะ, จะได้สะดวกสบายแล้วทั้งๆที่ยังไม่มีหลังเกณฑ์นี่โอ้อย่าไปอวดพูดนะผมหนึงเป็นมาแล้วแล้วจากนี้ไปก็ไปที่นั่นอ่ะไปที่อะนี ม, มีมีพระพูดโอ้ยกระเทือนถึงใจผมทันทีเลยนะเพราะเป็นพูดในสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วนี่ทําไมมันจะไม่กระเทือนอันนั่นอ่ะที่ ที่พักวัดช่องลมนะ่ะที่ผมไปพักนั่นแล้วผมไปค้าวหลังเนี่ยอปีกายหรือไง น, นะผมไปก็ทําไมสถานที่นี้มันจะไม่ค่อยมีพระมันเป็นเพราะอะไรมีพระองค์หนึ่งอยู่นั่น ม, มันก็สงบสงัดดีทํา่ทำไมไม่เห็นพ่อมีใครมาอยู่เป็นเพราะอะไรอ่ะ ถ้าทำมาอยู่คนเดียวก็เส ก, ก, กสงายเขาจิกจิกยิงอยู่เหรอแต่จิตมันมันมันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันอยู่ก็อยู่เฉยๆเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่เอ้ยน่าฟังกว่าเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่มันไม่มีเครื่องหนึ่งดูอยู่ป่า ก, ก็ป่าเฉยจิตใจก็ไม่มีรถมีชาติอะไรเลยทําไงมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังหวาหนัะฟังสิมันเข้ากันปุ๊บเลยกับเราที่เคยเป็นในตอนที่ยังไม่ได้หลักเกณฑ์ น, นะ อย่างนี้อ่ะไหนาที่มันเคยเป็นแล้วมันพอพูดปั้งมันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยอันนี้ผมเป็นแล้วหนี่งเคยเป็นมาแล้วที่แยกจากพ่อแม่ครูอาารย์ไม่ได้ไปอยู่ในป่าก็ไปแต่ก็ต้องได้ยิ่งมายิ่งมาในนี่หมายถึงขั้นตอนตอนที่ยังไม่หลักได้เกิดน่อยเลยนะแต่พอจิตกล้าเข้าสู่สมาธิแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นมีหลักแล้วสงบ ไปอยู่ใป่านี่ก็มีแต่เสริมความสงบแต่ของมากเข้ามากก็มันก็ได้ตามใจหลังเพราะมีหลักอยู่แล้วตอนไม่มีหลักโอ้โหมีแต่พิเรนเลยขึ้นเหยียบเอาแหละพอถึงขั้นสมาธิมันก็เป็นหลักอันหนึ่งพอถึงขั้นปัญญาก็คอยรับคอยกาบยันท่านเวลามันขัดข้องพอท่านเปิดทางให้ท่านแยบให้เราก็ได้จับปุ๊บได้แล้วเอาอเลยนั่นอยู่คนเดียวนั่นนั่นไปไปอีแบบหนึ่งนั่ น, น, น อยู่กับใครไม่ได้ถ้าให้มันเป็นอย่างใจแล้วไม่อยู่กับใครมันไม่สนุกเพราะมันไม่มีว่างในงานของเรานั่นขั้นอย่างนั้นขั้นอยู่ใครไมได้มันก็รู้นต้องดูคนเดียวแน่ก็คนคนเดียวนี่แหละตอนว่าอยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้ไมันต้องวิ่งหาอันนึงเนี่ยพอจากนั้นมาก็อยู่ได้เนี่ยเชขั้นสมาธิอยู่คนเดียวก็ได้นี่พอถึงขั้นปัญญานั้นก้าวเดินนะโถ ổ. อืม มันยิ่งมันปัญญามันรวดเลยวเท่าไรเท่าไรกิเลสมันยิ่งเห็นความรดเร็วของกิเลสนั่นทีนจริงเนี่ยจริงว่าเราว่ากิเลสมันหนาหนาที่ไม่กล้าพูดว่ากิเลสมันแหลมคมมากหนามากหนาเออเคลื่อนไหวนมากเป็นกิเลสตเราไม่รู้มันจมอยู่นั้นมันก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้นั่นพอถึงขั้นมันรู้มันมีนี่ไม่มีค่ามันได้ไหนั่นเอมันถึงได้รู้เรื่อง อันนั้นคือว่ามันอยู่ใครมาได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยฟา ด, ดกันตลอดเวลาบินธบารมันก็ไม่ได้สนใจก็ไปเลยนะมุอยู่นี่ะหว่าไงไรแล้วบินธบาร์เข้าไปใ น, ห, นหมู่บ้านแทนที่เห็นผู้เห็นคนอะไมันจะไปแยกๆกับผูก ก, กกับผู ound, ้คนเท่านั้นแหละงานมีอะไงมันก็ฟาดกันในข้างนในดังั้นมันจะเข้าปากโคมขคามขามหรือเดิยนยังกรมเดี๋ยเข้าปากโคมขาม ออกมาโคลงคาวจิตมันหมุนอยู่นี่คําว่าออกคําว่าออกมันออกจากความสงบออกมาปรุงเฉยแล้วมันไม่จะออกอ น, น, นะนะที่ว่าจิตมันออกโดดค่อยแต่จะออกจะออกที่ว่านนะต้องมนตอนในบังขับนเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ต้องใช้กิริยานั่นความหามายว่าอันนี้มันที่ว่าออกมันออกเป็นกิริยาเนี่ยมันที่ภายในหนหนละมันไม่ได้ไปนู่นไปนู่นนะ ม, มันออก เป็นจิตยาของจิตมันออกมันฟัดกันอยู่เนี่ยจิตนี่แหละแต่มันออกออกคิดออกปรุงแบบปัญญามันออกพลังงานคำว่าออกออกงั้นหรือเปาเช่น อ, อย่างว่าคู่ต่อสู้คอยยืนคอยอยืนไหนก็คือว่าเรื่องของกเกลือนั่นแหะที่จะได้ฟัดกันหม่ไายถึงออกไปนู่นไป น, นี่นะเดี๋ยวบางคนจะไม่เข้าใจที่ออกไปยังไงหนะ้าออกไปยังไงนะจะมีนะอย่างงั้นนะมันออกจากความสงบมันไม่มันไม่อ ย, ม อ, ยอยากอยู่ในความสงบ มันอยากทํางานของมันต่อสู้ก่เลยฟัดกิเลสอย่ายนั้นนั่นแหะมันออมมันออกจากความสงมบนี้มาทํางานนท่านเองมุ่งอยู่ในนี้แหละวอที่ว่าเดินเดินไปนี่นเข้าป่าโฮมขำคือจิตเมื่อใจมันไม่ออกใจมันทํางานอยู่ภายในแล้วตามันก็ไม่เห็นนี่เดินไปก็เดินไปเนี่ยส้มซ้ำส้มซ้ำก็สักแต่วันทุ ก, กตาเดินแค่เดี๋ยวก็โคมขมเข้าป่านู่นแยกหนึ่งอ๋อนี่เข้าป่าถอยมา แยบลงมาเข้าป่านะไปอีกไปแล้วโคมค้างเขานู้นนี่เป็นจังหวะที่มันหมุนอยู่นี้ที่จังหวะพอที่จะเห็นถนนทางมันก็มีมันมีแล้วมันเหมือนกับว่ามีแล้ววงแคบวงกว้างนะการพิจารณาวงแคบถ้าเป็นวงแคบจริงๆล้วมันก็เป็นอย่างว่าตามันก็มืดไปหมดแค่นี้พอมันเป็นวงกว้างกว่านั้นบ้างมันก็พอมองเห็นทางมัก็ไปของมันทางพิจารณาก็พิจารณา เห็นทัานถามก็เห็นแน่มันเป็นขั้นเป็นขั้นนะถ้ามันไม่เป็นมันพูดไม่ถูกแล้วถ้าเป็นพอแยกอย่างนี้มันเข้าใจ ท, าทันทีมันเป็นด้วยกันนะอันนี้มีแต่เราพูดมเหมือนบ้าเป็นอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นให้ฟังจะว่าบ้าหรือเปล่าสุดเลยอย่างนั้นมันอยู่กับใครไม่ได้ยังงงเป็นอะไรต้องไปคนเดียวเดิน ป่าันู้ว่เราเดินทางไปจะไปป่านั้นป่านี้อย่านี้มันก็ทํางานตลอดทั้งมันมันไม่เรียกว่าจะเสียเวลาไม่มีเลย น, นีเดินทั้งวันก็ทํานเพียงไปทั้งวันว่ะอยู่ไหนมันก็ไม่ไมันไม่อยู่กับอะไรกิมันอยู่การต่อสู้แต่นั้นแต่อาศัยสถานที่ที่เหมาะไม่มีอะไรมายุ่งมากวน เพื ي ي ك ك ่อจะได้ทำงานนี้เต็มที่ห่งนห่ไอ้อ้วนกินเลยนะไรก็ไหมอดีกว่าเอางี้มึงโตเป็นตาดูนีเนาะตึตตเนี่ยไอ้อ้วนห่าวว่าชอบหอยห่าก่อนเพื่อนอืม จะไมให้มองเห็นน้ำเลยนะน้ำมันเทียบน้ำคือศาสนาคือธรรม้นจอกแหน่อธิวานมันปิดน้ำมันอนะคือวิเดียมันปิดธรรมนลังวิเดียรปิดธรรมเปน็นยังไงนะดูดูไม่ว่าแสดงมาทางท่าใดเพศใดทั้งแต่ท่าเรานี้ออกไป มันเป็นจอกทั้งนั้นมันมันหุ้มห่อหัวใจพระไม่ให้สนใจในอดในธรรมยิ่งกว่าการชุนใจดิ้นไปตามโลกเขาพูดมันเป็นเม็ดเต็มหน่อยมันเป็นอย่างนั้นใชมันเป็นได้พูดอย่างนี้พูดไม่ได้มีหรือทําเป็นของจริงเมื่อพูดมาได้ตามความจริงก็ศาสนาจะหมดแล้วหัวใจจับหัวใจคนหัวใจโลกเราพูดตามความจริงเพื่อให้หาทางแก้ไขหรือมัน กระแสองคกิจมันหมุนไปเรื่องของไปเรื่องของโลกของโลกสมุนนั่นแหละเหมือนกับว่าจอกวันแง่มันหุ่มหอนทำให้ทําออกก้าวเดืินได้เลยหนึ่งน้วันเป็นไปเปลี่ยนไปเราก็บวชมานี้นานขนาดนี้เนี่ยได้เห็นความเคลื่อนไหวของในวงศาสนาเรื่องโลกเรื่องธรรมมาเป็นลำดับลำดาค่อยเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงไม่เยอะ เป็นแปลถ้าพูดถึงผลเ่ยเป็นผลลบผลลบผลลบเกี่ยวกับธรรมผลลบผลลบธรรมนี่เป็นฝ่ายถูกปิดบังปิดบังห่มห่อเข้ามาเรื่องอย่างนปิดถูกกั้นทางเดินของธรรมเลยเออเป็นอย่างงี้นะนี่มีศาสนาเสื่อมออเสื่อมอย่างนี้นี่ก็รู้ชัดแหละค่อยเสื่อมไปอย่างนี้เองอะไรอะไรที่ทําเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั้นที่เรื่อ เข้าไปลบลายลบลายทั้งหมดในหัวใจข้องขนนะให้เป็นอะไรมีเผ็ดมีล้านอยู่ครับนี่ทั้งหมดรดชาติไปอยู่ น, นู่นเป็นเปรีย้ยวเป็นหวานเป็นคาวก็ไปอยู่กับนี่ทั้งหมดมนัก็ว่าทําล้วไม่มีแล้มีชาติไปเลยจืดไปหมดอ่ะนันปิดขนาดนั่นนะนี่เรียปิด นี่เราพู้ตามหลักความจริงออืมันกวันนี้มันมันสนุกพิจารณาถ้าแต่ว่าพิจสนุกพิจานณาก็มันเปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอะไรมาปิดมันวะวางั้นเลยมันเมื่อเป็นอย่างนั้นทํำไมมันจะไม่สนุกพิจารณาวะเรื่องความจริงมันมีเต็มโลกเต็มสารทําไมมันจะพิจารณาความจริงไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เชื่อจริไม่ได้และพูดตามหลักความจริงไม่ได้วะะหรือที่เหลือมึนเป็นยังไงมันเป็นทุกข์มันได้เมื่อทําว่ามีสิทธิ มีความสามารถที่จะรู้จะเห็นตามความจริงของของกิเลสและของธรรมทั้งหลายทําไมจะเป็นไม่ได้พูดไม่ได้วะนั่นมันก็รับมันปึงปังไปเลย น, นี่เราจะค่ากิเลสว่าใจเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้มันจะดีไปไหนวะจีบนี่ว่าือมอะไรจะเหนือธรรมางธรรมนี่เคยตาบกิเลสมามากต่อมากแล้วนั่นคือไปไหนล่าสมัยไปไหนทำยีในหัวใจกิเลกกิเลสอยู่ในหัวใจฟัดกันลงเคยทังมาพอแล้ว มากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าภาษาโวคันก็เพราะความคิดกวามเห็นที่นํำทำมาให้เป็นเครื่องมือจริงๆไม่ให้นํำทำมาเป็นแบบไม้ถืออยู่กับมือเฉยถ้าเป็นไม้ ก, ก็ไม้เตยจริงๆถ้าเป็นมีดก็ไม่ฟันจริงๆถ้าเป็นอาวุธชนิดไหนก็อาวุธชนิดนั้นจริ ง, ฟรงๆฟาดออกไปที่เด็กทํำได้จริงถ้ายินถูกต้องใช้ถูกต้องตามเครื่องมือนั้นนี่เด็กมันจะอยู่ได้ยังไงเครื่องมือเหล่านี้มีจะเครื่องมือที่สังหารด็กทั้งนั้น ไม่ใช่เครื่องมือมาสังหารตัวเองนี่เป็นนั่นแหละในหัวใจคือว่าธรรมะพระเจ้านี่มันเฉี่ยมถ้าเป็นนีดก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องผัดผัดผัดผครับคมคงกล้าที่สุดไม่มีคําว่าสนิมสนิมเป็นหลักธรรมชาติของธรรมแก่และคําสองพระเจ้านั่นหมายคาสองพระเจ้าเครื่องข่าอี่ ไม่มีอะไรลดหย่อนตัวลงไปนิดหนึงไม่มีเลยถ้านํามันมาใช้มี่ทีอว่าหมดการหมดเขดหมดสมัยนี่มันถึงเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องของความปิ้นป้อนหลอกลดนของกิเลยโดยตรงเลยกับความกินคือทำรรที่เป็นทรงธรรมชาติความกินตัวเองไว้เยอะคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นที่ว่าตะกี้นี้คือว่าเรียนรู้จักใชนนะก้นัเนี่ยสาคัญ ความรู้จักใช้กับมันก็ขึ้นไปจากความจงใจขึ้นไปจากสติและอุบายวิธีการบุตรมานตนช่วยทําให้ได้ทํางานคล่องตัวเข้าไปนะ่นทังที่ว่าอุบายวิธีการาต่างๆเช่นอดหลับอดนอนผ่ออาหารนี้มีแต่อุบายช่วยให้ทําก้าวเดินได้คล่องตัวคล่องตัวนะั่นมันต้องช่วยอย่างนั้นเพื่อกระั่งถึงทำคล่องตัวแล้วทีนี้เอาว่า ง, งั้นเลยนะเอ า, เ ท, อ า, าที่เลยไม่อยู่ไหนวะยิ่เคยเป็นฆาสิา ก, กันในนะั้นยิ่งมีกลัวเลยนะ ่ให้มันพังซะเดี๋ยวนี้บัดนี้บัดนี้วันนี้จะไปที่ไหนนั่นเหมือนจะมาปัดออกปัดออกปัดออกเลยเมื่อถึงขั้นร้อนจีก็ร้อนจีเหมือน ก, นกันทำแต่ร้อนเพราะขาดเยเล่นนะร้อนจีร้อนจีร้อนจีเลยเพราะขาดเยเอ่นจริงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผมพู ด, ดไม่มีความตื่ตื่จังเลยนะมันถึงใจจกนกระทั่งถึงว่ามอบไปหมดเลยโอ้อัศจรรย์วิญญาโผล่ขึ้นมาได้โดยนีม้มีใครให้ไหวหเลยไง แต่ทวนนิสัยของสปัญยูของของสยามภูกขาต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยกให้อันนั้นแต่ยังมันก็กดอศัศจรรย์ไม่ได้เนี่ยพราะบรรดาสาวกทั้งหลายใครต่อใครก็ตามถ้าไม่ลนะนะคำนะจากพระพุทธเจ้าก่อนไปไม่ได้เลยนี่เนี่ยเนี่ยเล่นพระประเจรพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายต้องมีแ น, นวทางให้อุบายนี่เลยเลื่อนได้มาแล้วมึงก็ยังมา เอาสันลงอยเอาคมมันลงที่ฟ้าดสันลงเอาเอาสันลงทำไมาเอาคมมัลงที่ฟ้าดเอาข้างมันลงนั่นมันไปอยู่งั้นจนได้นะได้มาแล้วอยู่นี่ยืดให้แล้วอยู่แทนที่จะฟันลงตามที่บอกเอาฟันลงนี่กลับเอาสันลงบ้างเอาข้างลงบ้างไปอย่างนั้นเราไปใช้ไม่ถูกอ่ะทํามันเลือกขนาดไหนมาอย่างนั้นเนาะเอาไปใช้ไม่ถูกมาอย่างนั้น มันใช้ถูโแกิเลสเนี่มันจะเหนียวมาจากไหนวะว่างั้นออทําเคยฟันกิเลสขาดสะบั้นมามากต่อมากแล้วว่างกันเนียวที่ว่าขาดสะบั้นมาคือว่าประเภทของปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเริ่มไปไล่ละเอียด ก, กว่านั้นเราเราไม่อยากจะพูดว่าปัญญานะมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดให้อะไรกว่านั้นมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นคําพูดแหวกแนวตามโลกสมมุตินิยม หรือจะเป็นลักษณะความพูดปรอวดตัวไปเถอะก็เบืงองแรกก็ความรู้มันเป็นอย่างนั้นมันยังเป็นอยู่ได้จังหวะมันเป็นอย่างนั้น น, น, นีนน่ที่ว่าเอามาพูดยากการใช้ต่อสมมติเนี่ยมันก็ต้องได้เลยพิจารณาหน่หนักเบาของสมมติเหมือนกันอย่างที่ว่าปัญญาในในขั้นที่ว่านั้นมันอะไรพุ่งไม่ถูกเนี่ยความวัดเรวก็ไมีอะไรจะเร็วเท่า แล้วความมุนตัวเองก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทียบเะมันไม่เคยเห็นเคยมีที่ไหนอะไรนี่มันก็มีอยู่ท่านั้นในหัวใจจะวางงั้นอืแล้วก็ไม่เคยค่าเคยคิดมันจะเป็นอย่างนั้นนี่พอเวลามาันเป็นอย่างหวะแล้วเป็นขึ้มาก็พูดไม่ถูกนี่นี่จังหวะที่ว่าปัญญาก็ปัญญาในความค่าคือความคิดเช่นอย่างมหาสติมหาปัญญาแลอวกับพออะไรจะมาค่าอันนี้ทีละเอียดซึ่งกันไปกว่านนั้นมันอะไรนั้นหนา อี่สิมันภาคปฏิบัติไงมันจะได้ชมธรรมะประเภทนี้นะ่ะเรียนเราก็เรียนออกพอจําแล้วก็จำมาพอจนสมองถือผมกูงกู ง, ง, ง, ง, งเพราะเรียนขนาดสมองถือไม่ทํางานให้เลยก็เรียนก็มันก็ไม่เห็นนี่วะไงอย่างนี้ไม่มีในตำนานเลยท่านก็เพราพ่อพูดไว้ว่ามหาจิตมหาปัญญานี่ในตำนานแต่อันหนึ่งที่มันซึ้งเข้าไปอีกนะ่ะ พูดไม่ถูกขนาดนันอะไรนั่นอ่ะแต่นี่ปฏิเสธได้ไหมว่านั่นม้าไม่มีฮนี่มันพระจริญเครื่องมืออย่นี้มันอันนี้แหละที่ว่ามันทันกี่เดือนเท่าไล้วาต้องรู้ว่าที่เหลือมันละเอียดขนาดไหนมันแรงมันคมขนาดไหนนะมันถึงครอบโลกธาตุได้นี่เอานี่เขาไปจับเนี่ยถ้านี่ไม่มีนี่มันตับไม่รู้นะมันมันจับไม่ได้นะมันไม่รู้นี่นะไม่ว่าท่านว่าเราว่าเขาว่าใครหรอ มันเหมือนการหมดเลยมันเหมือนควายตัวหนึ่งอะที่ถูกดูงไปพวกเราเปลีย่ยนนั้นนะ ถ, ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าทำทให้เห็นว่า น, นี่มันก็ไม่มีอะไรจะมาเทียบมาแยากมาเนี่ยเฮ้เมื่อมีอันนี้เนี่ยมันก็ทันกันอุบายน์มอกเนี่ยไหอเนี่ยไหนอันนี้มันเร็วก่ดินั้นฆะ่ากันได้ไงนั่นฟังสิก็คือต้องเร็ว ก, ก, ก, ก, กว่านั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามีกําลังก็กําลังมากกว่านั้นมันถึงจะฆ่ากันอันนั้นได้ น, นี่ไงเนี่ยอันนี้มันไม่มี น, นี่มันก็ไม่รู้ที่ลวดลายเด็จที่มันออก มันตกครองโลกมันเบียบบีบบังคับโลกฉุดลากโลกให้เป็นไปยังไงอิทธิวิญญาณแต่ละดวงดวงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ไงนี่มันเป็นไปได้อย่างไรวะเงั้ยนั่ะมันเมื่อมีกล้องจับแล้วมันเห็นชัดเอานี่ขาดจากบ้านไปแล้วอะไรจะพาไปที่นั่นี่เลยอัศจรรย์พระเจ้าโถแต่พระองค์เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นอย่างรวดเร็วนะ เรียกว่าขี้ปาปัญญาใ น, ในคืนเดียวทะลุเลยมันเป็นวิสัยของสัพันธของสยามพูแล้วเป็นสัพันธ์อยู่ที่จะรู้ทำทั้งหลายโดยลําตังพระองค์ก็สยามพูยามปูคือเป็นเองขอนขวายเองรู้เองสยามพูแปลว่าเป็นเองแต่แปดกันจับแล้วก็เรเป็นเองเมื <c> ่อ <oughs> เราแยกออกจากนี้แล้วก็คือแบบขอนขวายเองไม่มีใครมาแนะมาบอก พอที่จะได้ก้าวเดินตามอุบายของผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นเนีส่งผนขวายเองขวายเองก็รู้เองรู้เองเรื่องสยามผูกเนี่เพียงแต่อย่างเราตัวเท่าหนูสิ่งที่มันมันแยกมันมันปีกไปจากธรรมที่เราเรียนมามันก็เห็นอย่างนี้อนอ่มันไม่มีในตำราเอาว่างั้นเลยมันมีในความจริงนะตำราไมนสามารถที่จะออกมาได้นี่อาจารยจะเรียกว่า ปล่อยให้ผู้นั้นเห็นเองถึงขั้นที่ควรจะเห็นปิดไม่อยู่เนะี่ยอย่างนันก็ะููไม่จำเป็นจะต้องบอกในํำราก็ได้นะบอกแต่แต่ช่องทางเอาเข้าตงนี้นะมันจะพุ่งถึงนั้นเท่านั้นเช่นอย่างอริยสัจนะ่ะมันบอกไว้กลางๆตรงนั้นเอเข้าช่องทางเป็นอย่างนั้นหนงมากเอาจเจริญให้มากเนะี่ยพรเวสบันติเมพิโกวีคุณเอาจเจริญให้มาก าพาวิโตพระโหดีกระโตเขาก็บอกว่าให้ทําให้มากจะเรื่อได้มากเราก็กล้าไม่หยุดไม่อยู่ไม่อยู่ก็พุ่งเข้าถึงที่นั่นเนี่ยไม่ต้องบอกเข้าถึงเมือเมื่อไล่ก็ไปตรงนี้แล้วมันจะไปเห็นนั้นจนได้ไปรู้นั้นไปเป็นนั่นจนได้แหละเนี่ยแต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดท่านท่านก็ว่าจำเป็นต้องมีในตำราพเพราะเมื่อใหญ่บอกไปแล้วในช่องใหญ่ที่ให้เข้าต้นทางบอกแล้วเนี่ยไล่ก็ไปก็ถทูอันนั้นปล่อยไปขอ ง, องนี่เอง เป็นสารที่กิโกโรประจับในเจ้าของี ก, กว่ามหาเศติมหาปัญญาไ ม, ไม่ถ้าหาว่าเราจะพูดตามความถนัดใจมันไม่ไสนัดใจนะอันนั้นมันยิ่ไม่เอียดเข้าไปยี่กว่า น, นี้อีกมันพูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความซุ้มทราบนี้กเหมือนกัน ความรวดเร็วก็อีกอันหนึ่งแล้วความซูมทราบนี่ซึมเข้าไปซึมเข้าไปนี่พ่เดียอยู่ตรงไหนมันซึมเข้าไปเหมือนกับว่ามันไปขับจ้างให้จางไปหมดนี่จะพูดอย่างไนมันเด็นยังไงพูดไม่ถูกนะพยาพิษมันพิษอยู่ตรงไหนนี่เหมือนกับว่านี้มันเข้าไปขับโก้โหเช่นหัวเผือกอนี้นะหัวเผือกที่เวลามันมันยังสดๆอยู่เนี่ยมันขันมันเป็นพิษนี่พอต้มไปความร้อนนั้นนั่นแหละมัน มันขับเข้าไปขัดคิษอันนี้ไปก็กลายเป็นรสธรรมชาติที่ควรรับทานหรือควรกินออกมาอย่างที่เรากินทุกวันเนี่ยต้มหัวเผือกหอมหวานมบเผือกเนี่ยสําคัญคือมันเข้าไปขับไล่รสกินพิษออกความร้อนนั้นถ้าเราเที่ยวกระเที่ยวได้ขนาดนี้เนี่ยอันที่มันที่มันว่ามันซึมเนี่ยเยืมันซึมอยู่มันละเอีขนาดนั้น่ะ แค่นี้ทำรรมากขับเข้าไปขับไล่ออกอยากให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นนนะอ่านตำหนักตำลาอย่าียที่เลยกลายเป็นาศาสนามีแต่ตำหนักตำลาเออเป็นสุดเอื้อมหมดหลังไปแล้วมันเป็น่างั้นนะเดี๋ยวนี้นะ นะมีแบบแข็งตลอวลว่ากันไปอย่างนั้นนะว่าไปศาสนาก็อยู่ในตาราแบบนี้แล้วทีมีเวลาจะปฏิบัติก็ว่าสุดเอื้อหมุดหลังไปแล้วนี่มันปิดเข้ามาอย่างนี้แหละกิเลสปิดว่าใจค้นเปิดก็ไปเปิดก็ไปมันไม่ได้รู้เรื่องของกิเลสว่ามันตึงขนาดไหนหิวก็ไปเรื่อยปัญญาขนาดนี้ลูกกิเลสขนาดนั้นปัญญาขนาดนั้น สติปัญญาขนาดนั้นรู้ขี่เดือขนาดนั้นรู้ขี่เดือกขนาดนั้นหน่่งแล้วทังรู้ว่าความละเอียดมันละเอียดก็ไปขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนว่า ง, งั้นเดี๋ยนะอถ้า ม, มีเครื่องจับมันมันไม่รู้นี่เอาละพอเดี๋ยว